สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในข้อคิดจากพระธรรมสุภาษิตครั้งที่สิบแปดเรื่องวิถีที่ราบรื่นพระเจนะของพระเจ้านะครับอยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่สามข้อที่ห้าและข้อที่หกโปรดฟังพระเจนะของพระเจ้าจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นภาษาอังกฤษนะครับ Trust in the Lord with all your heart, never rely on what you think you know. Remember that the Lord in everything you do, and He will show you the right way. ทียีครับในเวอร์ชั่นภาษาไทยอื่นนะครับก็ผมจะอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับจงวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างหมดใจ และอย่า พ, าพังพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับพระองค์ในทุกวิถีทางของเจ้าแล้วพระองค์จะทรงทําทางของเจ้าให้ราบเรียบในภาษาอังกฤษนะครับเวอร์ชั่นที่เก่าแก่ก็คือ King James นะครับอ่านได้ว่าอย่างนี้ครับ Trust in the Lord with all thy heart and lean not unto thy own understandings in all thy ways Acknowledge him and he shall direct thy paths พี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับหัวข้อก็คือวิถีที่ราบรื่นจะได้มาอย่างไรมีอยู่สามประการครับที่จะได้มาซึ่งวิถีที่ราบรื่นหนึ่งคือ trust ซึ่งหมายความว่าวางใจสองคือ not lean ก็คืออย่าพึ่งพาและที่สามครับ acknowledge ก็คือ ให้ยอมรับหรือให้รู้ทั้งสามนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นคำสั่งครับจงวางใจยาพึ่งพาจงยอมรับรู้พี่น้องครับเราจะมาดูนะครับในเช้าวันนี้ว่าความหมายของทั้งสามประ ก, การนี้คืออะไรคำว่า trust มีความหมายว่า rely on หรือ depend on นะครับเขามีความหมายว่าพึ่งพาครับหรือชีวิตของเราเนี่ยไว้วางใจคาว่าพึ่งพาหรือ trust นะครับเป็นภาพของการทิ้งตัวเมื่อวานนี้ผมได้พูดไปแล้วนะครับการทิ้งตัวลงการทิ้งตัวลงบนบางสิ่งบางอย่างพี่น้องเคยเล่นเกมใช่ไหมครับในครั้งวิทยากรที่อยู่ในค่ายก็ดีหรืออยู่ในการสรัมมนาก็ดีได้เรียกผู้คนขึ้นไปครับบอกว่าใครก็ตามที่มี ความวางใจนะครับขอเชิญขึ้นมาบนเวทีแล้วก็เดินขึ้นไปบนเวทีครับแล้วก็วิทยากรก็จะให้ล้มตัวลงครับล้มตัวลงแบบไม่ใช่ถอยหลังนะครับคือนอนลงไปเลยครับนอนล้มทั้งยืนก็จะมีคนคอยรับครับถ้าพี่น้องคนนั้นไว้วางใจหรือ t r u s ในเพื่อนๆที่คอยรับอยู่หลายๆคนนะครับเขาก็จะกล้าล้มทั้งยืน แต่ถ้าใครก็ตามที่ไม่ไว้วางใจเขาก็จะไม่กล้าเขาจะต้องหันมาดูก่อนว่าพร้อมหรือยังเขาจะไม่ไว้วางใจวิทยากรที่สั่งให้ล้มครับพี่น้องครับอันนี้คือภาพเปรียบเทียบของการพึ่งหรือ trust เขาจะต้องกล้าที่จะทิ้งตัวทั้งตัวลงบนการรับการรองรับของเพื่อนๆนของเขาทิ้งตัวลงบนบางสิ่งบางอย่างที่ เขาไว้วางใจเขาพึ่งผ่าได้พี่น้องครับเมื่อเราต้องตัดสินใจในเรื่องสําคัญสาคัญหลายลครั้งเรารู้สึกไม่สามารถ trust ใครได้ใช่ไหมครับไม่สามารถไว้วางใจใครได้แต่เรารู้ว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้พระองค์ทรงรักเขามากกว่าที่เรารักตัวเองพรงทรงรู้มากกว่าที่เรารู้และพระองค์ทรงมีความปรารถนาดีกับชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะ t ัส s t หรือเรา วางใจในพระเจ้าได้พูดง่ายๆก็คือว่าในพระธรรมสุภาษิตนี้ได้เรียกร้องหรือสั่งให้เราวางใจในพระเจ้าด้วยสุดกําลังครับพูดง่ายๆอีกอย่างนึงก็คือว่าอย่างหมดหัวใจนะฮะอย่างหมดใจเลยสามารถที่จะคลั่งพระเจ้าได้และนี่คือวิถีที่ราบรื่นของชีวิตของเราครับเราจะเดินอยู่ในมันคาของพระเจ้าอย่างราบรื่นนะครับด้วยการ t r u ในพระองค์ด้วยการไว้วางใจในพระองค์อย่างหมดใจอย่างสุดหัวใจประเด็นต่อไปนะครับก็คืออย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองคําว่า lean not นะครับหรือ do not lean นะหมายความว่าย่งครับหมายความว่าอย่าพึ่งพิงนะครับหรือลีลายอในสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้นั่นหมายความว่าย่งครับหมายความว่าความรู้ของเรานั้น ก็อาจจะมีจำกัดความรู้ของเรานั้นอาจจะไม่สมบูรณ์แบบความรู้ของเรานั้นอาจจะมีจุดอ่อนเพราะฉะนั้นครับอย่าพึ่งพาความรอบรู้ที่เราคิดว่าเรารู้ตรงนี้เองทำให้ผมคิดถึงปรัชญาหรือคำสอนที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนถามว่าเราสามารถเป็นที่พึ่งของตัวเองได้หรือไม่นะครับทุกคนนั้นบางคนอาจจะได้หรือบางคนอาจจะไม่ได้เราไม่รู้ครับ แต่ว่าเราเองอาจจะไม่มีความรู้เพียงพอหรือเราเองอาจจะไม่มีความกล้าหาญเพียงพอไม่มีกําลังใจเพียงพอในที่สุดแล้วคนที่คิดว่าตนเองเป็นที่พึ่งแห่งตนเองเท่านั้นก็อาจจะไปไม่ถึงฝันไม่สามารถที่จะได้รับรางวัลไม่สามารถเข้าไปคว้านะครับชัยชนะได้เพราะฉะนั้นทางหรือมันคาที่เราจะไปถึงเป้าหมาย ที่พระเจ้าตั้งให้กับเราได้หรือเป s> <S ้าหมายที่เราคิดว่านี่คือนิมิตของเรานี่คือวิสัยทัศน์ของเราที่เราจะต้องเดินไปให้ถึงจะต้องไม่อยู่บนการพึ่งพาตัวเองครับจะต้องอยู่บนการพึ่งพาพระเจ้าเพียงครับอย่าแม้แต่จะคิดว่าเราจะพึ่งพาพระเจ้าแล้วไม่ต้องการพระองค์เราจะต้องพึ่งพาตัวเองโดยไม่ต้องการพระองค์ไม่ได้ครับ เราจะต้องพึ่งพระพระเจ้าและปฏิเสธตัวเองและนี่คือมันคาที่ท้าทายเรามากครับเป็นวิธีหรือวิถีที่ท้าทายเรามากที่ว่าเราจะต้องไม่พึ่งตัวเองแต่พึ่งพระเจ้าแต่เมื่อเราได้พระปัญญาเราได้ความยำเกรงพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราแล้วเราก็จะรู้ว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นผู้นาในชีวิตของเราเรื่องนี้อาจจะดูตลกนะครับ เพราะอะไรครับเพราะว่าขัดแย้งกับปรัชญาของโลกที่ว่าเราต้องช่วยตัวเองก่อนเสมอแล้วพระเจ้าจะช่วยเราผมอยากจะบอกว่าความคิดนี้เป็นความคิดที่ผิดครับเราจะต้องให้พระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราเสียก่อนแล้วหลังจากนั้นเมื่อเรารักษาบทบัญญัติของพระเจ้าเมื่อเราพึ่งพาพระเจ้าเมื่อเราวางใจในพระเจ้าพระเจ้าจะนําเราให้เราเกิดความรู้ความรู้แบบพระเจ้าครับ จะนำเราไปถึงจุดหมายการไว้วังใจพระเจ้าด้วยเช่นสุดใจจะทำให้เราสามารถได้รับกำลังที่มาจากพระเจ้าไปถึงจุดหมายได้เช่นเดียวกันเพียงครับประการที่สามครับในเช้าวันนี้ก็คือให้เรายอมรับรู้พระองค์ในทุกทาง acknowledge him acknowledge him in all your ways หมายความว่าในทุกทางของชีวิตของเราในทุกวิธีของเราที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นขอให้พระเจ้า เป็นที่หนึ่งเรายอมรับการทรงนำของพระเจ้ายอมรับน้ําพระไทยของพระเจ้ายอมรับพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของเรายอมรับวิธีการของพระเจ้าโดยการเชื่อฟังครับและพี่น้องทราบไหมครับว่าการเอ็กโนเลชพระเจ้านั้นมีความหมายว่าเราจะต้องมีสามพิธีธรรมและมีความสนิทสนมกับพระเจ้าในทุกๆด้านของชีวิตของเรา ในทุกๆด้านของชีวิตของเรานั้นเราเองนั้นจะต้องสามัคคีทำกับพระเจ้าและเจตสนิดกับพระเจ้าเช่นสนมกับพระเจ้าจนรู้รู้ใจพระเจ้านะครับและถ้าหากว่าเรามีสามประการนี้ชีวิตของเรานั้นจะมีวิถีที่ราบรื่นตรงนี้เองนะครับทาให้พังพีสองข้อนี้จึงเป็นพังพีที่มีความหลักสำคัญที่ เด็กๆท่องกันเสมอว่าจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงกระทําให้วิถีของเจ้าราบรื่นพี่น้องครับคำหนุนใจในเช้าวันนี้ก็คือว่าชีวิตของเรานั้นจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้อย่างไรชีวิตของเรานั้นจะสามารถเดินไปถึงวันสุดท้ายที่เราจะปักธงและเราจะได้รับรางวัลได้อย่างไรนั่นคือวิถีของพระองค์เท่านั้นครับที่จะนําเราถึงตรงนั้น แต่ตรงนี้นี่เองทําให้เราคิดถึงว่าเราจะถวายเกียรติพระเจ้าและนั่นคือสุดท้ายเลยครับเป็นวัตถุประสงค์สูงสุดที่พระเจ้าสร้างเรามาและเรียกเราให้เราถวายเกียรติพระเจ้าด้วยอะไรครับด้วยการที่เราเดินอยู่ในทางของพระองค์นั่นคือคําอธิษฐานของข้าพระเจ้าเสมอขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้ข้าพเจ้าได้อยู่ในทางของพระองค์อาเมน